นี่ต่อไปละ อ, อันสุดท้ายที่สำคัญอันนั้นพวกนั้นเป็นสิ่งรอบกายภายนอกทั้งนั้นแหละแต่ที่อยากจะคุยกันมากที่สุดก็คือตัวปฏิสนธิจิตตัวสภาพคุณภาพของปฏิสนธิจิตในชาติต่ตอไปควรจะเป็นยังไงฉลาดหรืองโง่ประสิทธิภาพโดยพื้นฐานะคนนี้อย่าไปคุยกันมาเลยไม่รู้เรื่องหรอกงงจรง น, นะหรือว่าโอ้คนนี้อะไรก็คุยรู้เรื่องหมดเหนนฉลาดมากแก่งมาก หรือเอาบอกว่าฉลาดมากหรือฉลาดน้อยก็อยู่ที่ว่าทําเหตุคือฝ่ายโดยปกติพื้นเพไ์ฝ่ปัญญาหรือเกลียดปัญญาฝ่ายปัญญาก็คือเคารพปัญญายินดีที่ปัญญาเกิดอยู่สม่ําเสมอยินดีให้ปัญญาเกิดบ่อยๆเกิดเนืองๆพระเจ้ามิลินเนี่ยนะอดีตชาติพระเจ้ามิลินเนี่ยใครก็รู้ว่าพระเจ้ามิลินนี่ปัญญามากปฏิภาณไว้พริบเต็มฉลาดมากว่างั้นนี้ถามว่าอดีตท่านทํากรรมอะไรมา มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นสมณเณรขี้เกียจมากไม่ค่อยขยันเรกเป็นเนณนขี้เกียจในในพุทศาสนาพระุทธเจ้าองคอ์กรทีนี้อาจารย์ของท่านก็ใช้บอกเน้นไปคืออาจารย์เนี่ยปัดกวาดทาความสะอาดเจดีย์อยู่ปัดกวาดเจดีย์อยู่แล้วก็ใช้สมณเณรเน้เนโกยขยะไปทิ้งเน้นก็เอือออดเออเ อ, อ เ, ออ เ, ออเนะี่ยท่านก็ตําหนิหนักก็เลยขนไปทิ้ง ใช่แล้วก็ไปทิ้งก็เห็นระลอกคลื่นนะคือคือน้ำจืดนี้ก็มีคลื่นเยอะนะคลื่นเห็นคลื่นท่นบอกว่าถ้าเรามีไอเดียมีความคิดมีปัญญาเหมือนคลื่นน่าจะดีสมาทานเลยด้วยบุญอันเนี้ยขอให้มีมีปัญญาเหมือนกับระลอกคลื่นไม่มีจบมีสิน้นนะทำบุญทุกครั้งอธิษฐานขอให้มีปัญญาเหมือนระลอกคลื่น คนที่มีปัญญาเหมือนระลอกคลื่นนี่จะพูดอะไรได้ยาวๆถ้าถ้าเราไม่มีอะไรจะพูดอะไรพูดแบคลื่อนอันเดียวพองอันเดียวก็หมดแล้วพองอันเดียวก็หมดแล้วคิดได้เรื่องหนึ่งแล้วก็หายตําไปหมดเลยมันจะต้องมีความคิดเหมือนระลอกคลื่นยาวๆอะไรอย่างนั้นได้ก็อันนั้นเป็นเหตุแห่งปัญญานะสมาทานทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาให้มีปัญญาบ่อยๆเหมือนกับระลอกคลื่นมีความคิดใหม่ๆความรู้ความเข้าใจใหม่ๆอยู่เสมอ อันหนึ่งอันหนึ่งก็คือทุกอย่างที่เข้าใจก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเหมือนกับแสงสว่างเลยนะแสงสว่างมองเห็นก็ทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาปัญญาแล้วก็มีอัธยาศัยฝักใฝ่ปัญญามีความสุขในการเรียนรู้มีความสุขกับการมีความรู้วานดูคอลัมน์บเรื่องหนึ่งก็บอกว่าใครที่ไปพักผ่อนไปพักผ่อนกิจกรรมที่เรียกว่าพักจริงๆเลยแทบไปนอนหลับไปใช้ซึมๆแบบ สบายบริโภคอย่างเดียวกินอิ่มนอนหลับไปวันวันหนึ่งอันนั้นก็เรียกว่าทําให้ความคิดมันเสื่อมเรียกว่าคนนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพชีวิตจะลดลงความรู้สามารถลดลง20่สิอนะร์ว่างั้นใครก็แปลว่าถ้าใครอยากโง่ก็ใช้ไม่ต้องใช้ความคิดก็ได้โง่สมสมอยากที่ที่จะเป็น น, นะนะเคล้าอย่างที่อยากจะเป็นเขาถ้าแกล้งทาโง่มันก็โง่จริงๆนะแกล้งบ้านในที่สุดแกล้งแกล้งยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นฝึกอย่างไรก็จะเป็น อย่างนั้นนั้นเราถ้าฝึกฝึกฝึกฝึกปัญญาเอาไว้บ่อยๆอนาคตก็ฉลาดดูว่าทีนี้ต่อไปฉลาดนะเช่นสวดมนต์สวดแบบพารุเขา้เขาใจพื้นฐานเป็นปกติเจริญกุศลง่วงๆซึมๆไหมถ้าง่วงๆซึมๆนิชชาติหน้าก็ตามหมายคือว่าอย่างถ้าแต่งตัวไม่ดีเนี่ยนะแล้วถ่ายรูปเนี่ยภาพออกมาเป็นยังไงก็เหมือนกับตอนทําเหตุนั่นแหละแต่ว่ามันยังไงมันก็ไม่ชาตตอนทําเหตุนะมันก็เบล์เลอรก่อนนั้นน่ะนะ ถ้าแต่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะภาพออกมาเป็นยังไงถ้าแต่งดีอา้าวภาพออกมาก็เป็นอย่างนั้นก็ก็สุดแท้แต่หมายถึงว่ากล้องที่ที่มีประสิทธิภาพอนะฉันใดกรรมนี่มีประสิทธิภาพมันถ้าเราแต่งแต่งสติแต่งปัญญาแต่งเป็นคนที่เรียกว่ามีปัญญาไหมหรือไม่มีปัญญาก็ดูจากเหตุในชีวิตประจําวันนี่แหละไล่ๆดูว่าเป็นยังไงเหตุแห่งอายุยืนเหตุแห่งสุขภาพดี ว่าเบียดเบีย น, นสัตว์ไหมช่วยเหลือเรื่องปัญหาสุขภาพคนอื่นไหมแต่ไปเหตุแห่งสุขภาพดีเหตุแห่งผิวพรรณดีเหตุของการได้ดีตกยากเป็นต้นก็มาไล่ๆล่ไล่ดูก็ทุกอย่างจะสมควรแก่เหตุถ้าแต่งเหตุได้ก็เท่ากับผลก็สําเร็จก็ดูที่การแต่งเหตุหรือว่าโอ้ไม่เกิดแล้วเลยไม่ต้องแต่งอะไรบางคนคิดถึงแต่เรื่องนิพพานแล้วเขาไม่ไม่ไม่แต่งอะไรและบุญก็ไม่ทํา อะไรทานก็ไม่ค่อยให้ซีนก็ไม่ค่อยสนใจจะเอาแต่วิปัสสนาจะบรรลุอย่างเดียวละทำได้จริงไหมล่ะทำจริงก็ดีถ้าทำได้ไม่จริงจะเดือดร้อนอย่างบางคนเนี่ยนะถ้าฝ่แต่ปัญญาจริงอยู่ชาติต่อๆไปอาจจะฉลาดแต่ว่าหาผ้าจะผันกายก็แทบไม่ได้เพราะตัวเองไม่ค่อยให้ทานเอาไว้เนี่ยนะมันมันคือความฉลาดเนี่ยคนฉลาดที่ไม่มีทรัพย์นี่มันก็ก็ทจริงก็ถามว่าฉลาดแล้วมีไม่มีทรัพย์กับ โง่แล้วมีทรับอันไหนดีกว่ากันก็ต้องว่าฉลาดดีกว่าแต่หมายความว่าถ้าฉลาดด้วยมีทรับด้วยไม่ดีกว่าหรือก็ดีกว่าเนี่ยนะก็ทํายังไงทั้งมีฉลาดด้วยและมีทรับด้วยทีนี้ถ้ามีทรับแล้วเอาทรับไปทําอะไรตั้งอัตตะสัมมาปณิทิเอาไว้ให้ดีกําหนดทิศทางชีวิตเอาไว้ให้ดีเลยว่าต่อไปควรทํำยังไงเพราะเหตุอย่างไรผลก็เป็นอย่างนั้นบอกว่าไม่จําเป็นต้องตั้งสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดมันกําหนดโดยตัวมันเอง เรียก <c oughs> ว่าเหมือนกับอะไรนะมันไปของมันเรื่อย seafood. กายกรร ม, จรรมวจรรมีกรรมโนกรรมสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราฝักใฝ่ความเพลิดเพลินความเป็นไปแห่งชีวิตนี่คือการตั้งความปรารถนาะโดยเรารู้ตัวก็ทําไม่รู้ตัวก็ตามานะทุกๆความคิดคือการตั้งความปรารถนาะเราจะรู้ตัวก็ตามเหมือนกับว่าเราชอบอะไรนั่นคือการตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีสิ่งนั้นตั้งใจจริงหรือไม่ตั้งใจจริงหรืออะไรก็ตามแต่ว่าหมายว่าเห็นด้วยกับสิ่งใด แปลว่าปรารถนาที่จะเป็นสิ่งนั้นเพราะนั้นไอ้ตั้งความปรารถนาดีๆมันต้องตั้งเอาใหม่ปกติให้มันตั้งเองไม่ตั้งหรอกเพราะว่าสะสมแบบพูดแบบสติปัฏฐานบอกว่าลูกโคโกงที่เกิดมาดื่มแต่น้ำนำมแม่โคโกงแล้วนิสัยลูกโคมจะดีไหม ย, ยากมันก็อัธยาศัยมาแบบนั้นฉันใดใจของเราที่เกิดมาสะสมแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่ง ราคาโทสะโมหะการที่ปล่อยให้ราคาเกิดนั่นก็คือการตั้งความปรารถนาแล้วการที่ทำให้โทสะเกิดนั่นก็คือการตั ok, ้สงความปรารถนาแล้วจะตั้งแบบเป็นคาคาหรือไม่เอ่ยเป็นคาแบบที่เราสวดมนก็ช่างเถอะสรุปว่าเห็นด้วยกับส well. ิ่งใดนั่นแหละคือการความตั้งความปรารถนาของเราพูดถึงสิ่งใดบ่อยๆนั Th ่นแหละคือการตั้งความปรารถนาของเรา สิ่งที่เราทำนี่แหละคือการตั้งความปรารถนาของเราเราขีดระบบให้ตัวเองแล้วตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามภ า, าษาธรรมะว่าจะทำด้วยความรู้ก็ตามหรือทำด้วยไม่รู้ก็ตามจะตามสมควรแก่เหตุนั้นแล้วเราแต่ถ้าใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการกำหนดแล้วแต่มันจะเป็นให้มันเป็นไปอยากเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปถ้าอย่างก็ได้เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าให้รถติดเครื่องแล้วก็ไม่ต้องมีพวงมาลัยะ ไม่ต้องมีเบรกแล้วให้มันไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันไปแบบไม่หยุดเลยอ่ะเคยเคยเห็นไหมสัตว์บางประเภทปล่อยให้มันไปอ่ะแล้วไม่มีกฎเกณฑ์สักอย่างหนึ่งนะใจของเราก็เหมือนการกายกรรมวิมจีกรรมมโนกรรมเนี่ยยังไงมันก็ไปอยู่แล้วละ่ะมันวิ่งเอ่อมันดิ่งไปทางไหนมันก็ไปสู่เส้นนั้นความคิดของคนทั่วไปสิ่งที่ทําคําที่พูดทุกๆอย่างนี่คือการติดตั้งโปรแก ร, รมใหม่หมดเลยการติดตั้งทิศทางของชีวิตสิ่งที่เราทําทุกอย่างคือการ กำหนดที่ทางชีในอนาคตคําที่เราพูดทุกคําคือการกําหนดที่ทางชีวิตในอนาคตทุกๆความคิดคือการกําหนดที่ทางชีวิตต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าเลือกคากรรมนี่แหละมันดีที่สุดถ้าเลือกทําได้ก็เลือกเกิดได้เลือกเหตุได้ก็เลือกผลได้ถามว่าเอาแล้วทาไงตั้งใจเลือกทําเหตุใหม่ตั้งใจเลือกทําเหตุใหม่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ฐานะและาฐานะรู้เหตุอะไรไม่ใช่เหตุแล้วเรากําหนด อย่างไรให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกุศลแล้วเป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งพันทุกเรื่องที่เราทําด้วยกุศลนึกถึงประโยชน์3ไว้เลยนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งทุกคำพูดใดที่พูดด้วยกุศลเช่นสวดมนต์เป็นต้นเล็งถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งทุกความคิดที่เป็นไปกับกุศลเล็งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์ อย่างยิ่งกําหนดทิศทางให้มันชัดเจนแต่ถ้ากําหนดไม่ชัดเจนเนี่ยนะเป็นกุศลผลของกุศลเอาเชื่อไหมคนในโลกคนที่ทําชั่วจริงๆเนี่ยเป็นคนที่มีบุญเก่ามากจึงจะมีอํานาจทําชั่วได้มากถ้าคนทําบุญมาใน น, น้อยทําบาปอะไรได้ไม่มากหรอกเพราะมันตัวเองไม่มีอํานาจอะไรไม่มีบุญเก่าอะไรพอที่จะเรียกว่าไม่มีอํานาจไม่มีบารมีพอที่จะสั่งทําชั่วได้เพราะฉะนั้นคนที่ที่ทำชั่วเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็ผลของบุญเก่าเป็นปัจจัย แต่ก็อย่างว่านะอย่างทรัพทั้งหลายเกิดจากผลแห่งบุญแต่เมื่อได้รับผลแห่งบุญแนละ้วเอาผลบุญไปทําอะไรมาดูตรงนั้นฉะนั้นเราก็มากําหนดทิศทางสิ่งที่ทําคําที่เราพูดทุกวันนี่แหละคือถ้าพูดแบบอีกในหนึ่งเลยนะสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละคือการตั้งความปรารถนาของเราแล้วทันถ้าเราพยายามกําหนดให้ดีว่าชอบทําแบบนี้ผลคืออะไรชอบพูดแบบนี้ผลคืออะไรชอบคิดแบบนี้ ผลคืออะไรอันนี้เป็นความยุติธรรมที่เรียกว่าไม่มีใครบันโดลบันดาลให้ใครอยู่แล้วละเนี่ยนะแต่ถ้าผู้ที่หวังดีเขาจะแนะนํากันว่าเปลี่ยนได้ไหมถ้าทําแบบนี้เหตุแบบ น, แบบนี้ผลแบบนี้ไม่ดีถ้าทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผลแบบนี้ไม่ดีแต่ถ้าทําอย่างนี้ดีกว่านี้เยอะเนี่ยนะนะนะคำพูดแบบนี้ผลไม่ดีนะแต่ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งได้ผลดีทันทีคิดแบบนี้ผลไม่ดีถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งจะได้รับผลดีถ้ากําหนดในระดับสูงเช่นพวกที่เกิดเป็นพรหมเนี่ยเลือกเจริญมโนกรรมนะ ถือมโนกรรมเป็นหลักเน้นเจริญอนัพิชากับอัพยบาทผู้ที่เห็นภายในวัตะเน้นเจริญสัมมาธิฏิเน้นเจริญสัมมาธิฏิผู้ที่เห็นประโยชน์แก่สุขติโลกสวรรค์พวกนี้เจริญกายยสุจริตกับวจีสุจริตผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์พรหมโลกพวกนี้เจริญมโนสุจริตคืออนัพิชากับอัพยบาทผู้ที่เห็นภัยในวัตะเน้นเจริญมโนสุจริตข้อ สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะว่าตัวกายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะกายาสุจรรตวจีสุจริตมโนสุจริตกายทุจริตวจีทุจรรตมโนทุจรรตคือการติดตั้งนะติดตั้งทิศทางหรือกำหนดทิศทางชีวิตเนี่ยนะว่าเขียนแบบแผนชีวิตให้ตัวเองในอานาคตแล้วก็ดูที่สิ่งที่ทาคำที่พูดนั่นแหละเหตุเช่นใดผลเช่นนั้นตรงตัว แต่ไม่ได้แปลว่าทําเช่นใดจะต้องรับผลเท่านั้นทั้งหมดไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่ว่าทุกคนเสเวยผลตามสมควรแก่เหตุแต่ไม่ใช่เหตุทุกเหตุต้องให้ผลหมดมันแล้วแต่นะถ้ายินดีจะรับผลมันก็ได้รับจริงละว่า ง, งั้นเถอะถ้าเดินตามทางเพื่อให้ผลอย่างนั้นมันเกิดมันก็จะได้รับผลเอาใหม่นะฟังให้ดีผลทุกอย่างตามสมควรแก่เหตุการทําเหตุทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องให้ผลอย่างนั้นแน่นอนเสมอไปถ้า ผลทุกอย่างตามสมควรแก่เหตุอย่างสุขทุกวิบากที่เราได้รับเนี่ยสมควรแก่ผลของกรรมเก่าแล้วละ่ะแต่สิ่งที่เราทําใหม่จะให้มันให้ผลหรือไม่อยู่ที่เราพระองค์คุรีมาเนี่ยถ้าถ้าให้มันให้ผลให้หมดบอกว่าโอ้ยชีวิตนี้มันต้องยุติธรรมสิถ้าเราทํากรรมยังไงเราก็ควรที่จะไปรอรับผลแห่งกรรมนั้นพอดีกรรมที่เราทํามันไม่ใช่บุญน่ะไม่ดีแน่ใช่ไหมผลในอนาคตต่อไปจะได้รับหรือไม่สุดแท้แต่เหตุใน ปัจจุบันถ้าทําเหตุโดยเฉพาะอริยมรรคได้ก็ออกได้ตรงนี้ท่านจะเรียกว่าพบพบสมุทัยพบนิโรธพบนิโรธะคามินีปฏิปทาถ้าเลือกเจริญอริยมรรคออกองค์8นะนะชั้นแรกเจริญกายสุดเจริญวจีสุดจริตแล้วก็เจริญมโนสุดจริตเจริญสุดจริตสามอย่างบริบูรณ์เพราะว่ากายสุดจริญวจีสุจริตเนี่ยคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะ ถ้าเจริญอนาพิชากับอัพยาบาตรได้ดีก็คือสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเจริญสัมมาทิฏฐิมากๆก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะถ้าเจริญสุดจริญอย่างบริบูรณ์ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทุจริตสามอบายสุจริตสามบางอย่างมนุษย์สุจริตสามบางอย่างเทวดาสุจริตสามบางอย่างพรหมสุเจริตสามบางอย่างนาออกจาก วัตะก็มากําหนดท่านอยู่ที่สิ่งที่เราทําคําที่เราพูดนี่แหละทีนี้ถามว่าแล้วภพเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะอะไรเกิดอุปาทานเกิดก็สุดแท้แต่ว่าการยึดถือเรายึดว่าอะไรเป็นสาระนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะทําสมมติถ้าเรายึดถือด้วยการมุปาทานเป็นวัตถือว่าการมุปาทานเป็นสาระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นไปตาม การมุปาทานถ้าที่ถูกปาทานเรายึดถือที่ถ ijn, Likewise, ูกปาทานว่าเป็นสาระกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็เป็นไปตามที่ถูกปาทานถ้าเราถือว่าศีระพัตตุปาทานว่าเป็นสาระการทําตัวของเราก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ตามสมควรแก่สีระพัตุปาทานถ้าอัตวาทุปาทานพฤติกรรมคําที่พูดทุกอย่างก็เป็นไปตาม อัตวาทุปาทานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความยึดถือนี่แหละเป็นเหตุแห่งกายกรรมวจจิกรรมและมโนกรรมแล้วแต่ว่าเรายึดถือด้วยกุศลหรืออ ก, กุศลเนี่ยนะนะถ้ายึดถือด้วยอำนาจอกุศลก็คือนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรานั่นงามนั่นสุขนั่นเที่ยงนั่นยั่งยืนเป็นต้นความคิดแบบนี้ถ้ายึดถือแบบนี้กายกรรมวัจจกรรมมโนกรรมนั้นนําเกิดแน่นอนมันแต่ถ้าดับอุปาทานตรงกันข้ามกับอุปาทานกําจัดอุปาทาน ไม่ได้สําคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราแล้วก็ไม่ได้สําคัญว่างามสุกยั่งยืนและอัตตาปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายและคลายกําหนัดถ้าดับความยึดถือได้กายกรรมวิีกรรมมโนกรรมก็ดับถ้ากายกรรมวิชีกรรมมโนกรรมดับที่เรียกว่าพบดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรา ม, มรณะโสกปริเทวทุกโทมณัตอุปายาตก็ก็ดับแต่ถ้าย้อนกลับมาตามธรรมดาเนี่ยนะความยึดถือนี่แหละเป็นเหตุให้ ทำกรรมแล้วแต่เรายึดถือว่าอะไรเป็นสาระอย่างใครที่ช่วงหลังมาเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ค่อยถามว่าใครทําอะไรไปทําที่ไหนยังไงไม่ถามทําไมเพราะใครถือว่าอะไรเป็นสาระเขาจะทำสิ่งนั้นถ้าทําชั่วก็แสดงว่าเห็นว่าไอความไม่ดีไปมีสาระเพราะทุกคนสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยใครจะคิดว่าไรสาระสิ้นดีกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทำนะแต่ถ้าถ้าแบบ ผ่านมาแล้วแล้วมันนั่งระ ล, ลึกถึงความหลังเออมันไม่มีสาระแต่ถ้าสิ่งที่เขากําลังทากับสิ่งที่จะทําโดยมากเขาถือว่ามีสาระบางคนนี่ถือว่าอากุศลเป็นสาระถือว่าการานะสรุปว่าการมุปาทานที่ถุปาทานศิลพปตุปาทานอัตวาทุปาทานถ้ายึดถือว่าเป็นสาระยังไงกายกรรมวิจีกรร ม, มนโนกรรมก็เป็นไปตามอุปาทานของเขาเนี่ยนะก็สุดแท้แต่ว่า เขาถือว่าอะไรเป็นสาระถ้าเหตุอย่างไรผลก็เป็นไปอย่างนั้นนั้นแล้วโลกนี้อะไรมีสาระจริงๆนะเราเราหาสาระอะไรกันแน่นะถ้าเป็นลักษณะของภารละปุตุชนทั่วทั่วไปคนปกติทั่วๆไปก็ยึดถือความงดงามว่าเป็นสาระความเที่ยงว่าเป็นสาระความสุขว่าเป็นสาระแล้วก็สำคัญผิดๆว่าเป็นอัตตานั่นแหละว่าเป็นสาระแต่ถ้าพระอริยะทั้งหลายก็ถือเอาตรงกันข้าม นะเจริญสติปทานสี่การถือเอาสติปทานสี่เป็นสาระถือเอาสัมมัปปธานสี่เป็นฐานะถือเอาอิทิบาทอินทรียพละโพชงองค์มักเป็นสาระถือเอากุศลธรรมทั้งหลายเป็นสาระถือเอาอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาว่าเป็นสาระเนี่ยนะถือเอาอริยมักว่าเป็นสาระเขาจะประตกเขาจะประสบอมตะนิพานอันเป็นมหาสาระเนี่ยนะก็สาระที่สุดเนี่ยถามว่า อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเนี่ยนะอุปาทานเนี่ยเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวแต่เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยอันนอุปาทานเป็นปัจจัยแก่กุศลกรรมภพก็ด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็โดยอุปนิสัตสยปัจจัยบ้างสหชาติปัจจัยบ้าง แต่อุปาทานเป็นปัจจัยแก่อุปติภพด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยอย่างเดียวเนี่ยนะ น, นี่พูดโดยปัจฐานบ้างนะคนที่เรียนปัจจัยมาพอได้ยินคำเหล่านี้ก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นนี่มาดูวาระต่อไปอุปาทานวาระภิกษุเหล่านั้นได้กราบทยนถามท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะก็คือตอนแรกท่านก็อนุโมทนาเชื่นชมยินดีพาสิท์ของท่านพระสารีบุตรภาสาทุดีแล้วครับดังนี้ แล้วก็การาวเปลี่ยนถามปัญหาให้สูงยิ่งขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรว่าใต้เท้ากรับยังมีอีกหรือไม่เหตุคือปริยายนแม่อย่างอื่นที่จะให้อริยะสาวกเนี่ยมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้พระสารีบุตรก็ตอบว่ายังมีอยู่คุณแล้วก็กล่าวว่าคุณด้วยเหตุที่อริยะสาวกรู้ชัดปัญหา เหตุเกิดแห่งตันหาความดับตันหารู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตัญหาเพียงเท่านี้แหละคนอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัธรรมนี้คำถามก็คืออะไรคือเรียกว่าตัญหาอะไรคือตัญหาสมุ ท, ทยัยอะไรคือตัญหานิโรธอะไรคือตัญหานิโรทคขามินีปฏิปทา ตันหาตันหาสมุทัยตันหานิโรตันหานิโรทคกษามินีปฏิปทาบอกตันหามีหหรือมี6หมวด6หมู่คือรูปปัตนหาทยธยานในรูปหรือว่าความติดใจในรูปนะสัทธตันหาติดใจในเสียงคันธาตันหาติดใจในกลิ่นรสชาตตันหาติดใจในรโพธิภะตันหาติดใจในโพธิภะธรรมตันหาติดใจในธรรมรมทั้งหลาย คือโลผ้ามันต่างจากโทสะอย่างไงถ้าโทสะนะมันเผาความคิดที่มุ่งเผารูปเผาเสียงเผาปินเผารถเผาโพธิภาพเผ า, ว า, า, าวเวทนาแล้วมันเผาใจตัวเองอ่ะนะนั่นแหละคือโทสะมุ่งเผาแต่ถ้าโลผ้าติดนะหมายว่าเหมือนกับกาวเนี่ยนะท่านเปรียบเหมือนกับพวกกาวเหมือนพวกยางเหนียวที่น้อมไปก็หนืดไปหมดเลยนะเหมือนอะไรเหมือนหมากฝรั่งเนะี่ยเคี้ยวเสร็จแล้วแปะอะไรก็ติดหมดนะโลผ้ลักษณะนั้นอะแปะแล้วติดหมดอะติดมากติดน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งล่ะ แต่ที่แน่ๆก็คืออัธยาศัยของโลภะมันชอบแปะหรือติดนั่นแหละตัณหาเหล่านี้ตัณหาเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเวทนาตัณหาทุกชนิดมาจากเวทนาเพราะเวทนาเกิดตัณหาจึงเกิดเพราะเวทนาดับตัณหาก็ดับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจสัมมากรรมตตะสัมมาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาทิอริยมัจอนประกอบไปด้วยองค์8ดนี่แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาอวุโสหรือคูณเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดตัณหาเหตุให้เกิดตัณหาความดับตัณหาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยบันเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐิและมานะว่าเรามีอยู่ออกได้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 น่าจะบอกไม่บอกเอาใหม่นะทวนอีกครั้งหนึ่งนะที่ภิกษุเหล่า น, นั้นพากันชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่าสาธุแล้วก็เรียนถามต่อไปว่าถามปัญหาให้ยิ่งสูงขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่ายังมีอยู่อีกหรือไม่นะเหตุปริยายหมอย่างอื่นที่จะให้อริยาสาวกมีความเห็นถูกต้อง มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลน ม, มาสู่พระสัทธรรมนี้พระสารีบุตรก็ตอบว่ายังมีอยู่คุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับอุปาทานข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานแม้เพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นตรง ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตธรรมนี้ถามว่าอุปาทานคืออะไรเหตุเกิดอุปาทานคืออะไรความดับอุปาทานคืออะไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานคืออะไรมลวงโสอุปาทานมีสี่อย่างเหล่านี้คือกามุปาทานนะคือตัวโลภะนะยึดถือด้วยอํานาจกามคือด้วยอํานาจกิเลสกรรมที่ถูกปาทานก็ยึดมั่นด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐิหกส สีลและพัตุปาทานก็ยึดถือด้วยอำนาจศีลและวัด น, นะลัทธิภายนอกแล้วก็อตตวาทุปาทานยึดมั่นด้วยอำนาจส ก, กายะ ท, ทิิยึดถือว่าเป็นอัตตาเพราะตันหาเกิดอุปาทานเกิดเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทานคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคนเมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับอุปาทานรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานทุกอย่างอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเธอจะละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัสถอนทิฏฐิและมานะว่า เรามีอยู่ออกได้และอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงอย่างวิชาให้เกิดและขึ้นแล้วเป็นผู้ทํำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลคนอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลองแคลนมาสู่พระศัธรรมนี้ที่บอกว่าอุปาทานอุปาทานสมุทัยอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธาคขามินีปฏิปทา อุปาทานนี่เป็นชื่อของโลภะกับทิฏฐินะถ้าย่อๆลงมามีสองตัวคือโลภะกับทิฏฐิคําว่าอุปาทานโดยศัพท์นี้หมายถึงความยึดมั่นความยึดถือนะท่านถ้ายึดถือวัตถุกามด้วยกิเลสกรรมเรียกว่าการมุปาทานนะยึดถือสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยด้วยด้วยความปรารถนายึดถือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินด้วยความเพลิดเพลินเรียกว่าการมุปาทาน การยึดมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานอุปะแปลว่ามั่นแน่นอนมั่นคงมากอาทานะเนี่ยแปลว่าการยึดถืออุปะนี่แปลว่าแน่นอนมั่นคงถืออย่างชนิดที่ว่ามั่นคงเรียกว่าอุปาทานอาทานะเนี่ยแปลว่าการยึดถือถือเอารอบถือจริงๆเลยแหละถ้าทานเนี่ยแปลว่าให้นะอาทานะเนี่ยแปลว่าถือแบบชนิดที่ว่าไม่ปล่อยเลยอุปะแปลว่ามั่นมากยึดแน่นแปลว่ายึดอย่างเหนียวแน่นเลยเรียกว่า อุปาทานการยึดด้วยอำนาจกามเรียกว่าการมุปาทานการมุปาทานนี้เป็นชื่อของราคะที่เพลิดเพลินในกามาคุณทั้ง5เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะทั้งหลายอย่างที่พระองค์อธิบายว่ากามุปาทานเป็นไนก็คือความพอใจด้วยอำนาจความคล้ายในการทั้งหลายความยึดความพอใจความยึดถือติดมั่นในรูป ติดมั่นในเสียงติดมั่นในกลิ่นติดมั่นในในอะไรในรถในโพธพภะทั้งหลายคือถ้าตันหาเนี่ยลักษณะเพลินถ้าอุปาทานเนี่ยยึดมั่นตันหานั่นแหละยึดเหนียวแน่นมากเลยเรียกว่าอุปาทานตันหากับอุปาทานตันหาก็คือความเพลินครั้งแรกๆอุปาทานก็คือยึดถือแบบเหนียวแน่นแบบครั้งต่อๆมาแบบไอ้โกรธกับความผูกโกรธนั่นก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละตอนแรกก็โกรธ เอาเก็บมากโกรธบ่อยเรียกว่าผูกโกรธหรือภาษาไทายเรียกว่าผูกใจเจ็บเนี่ยนะผูกใจเจ็บนั่นแหละเรียกว่าผูกโกรธอันนี้ความเพลิดเพลินความติดใจเป็นลักษณะของตัญหาแต่ถ้ายึดถือสิ่งนั้นเลยเนี่ยนะภาษาอีกสำนวนนึงว่ากลืนกินไว้เบ็ดเสร็จเลยนะลักษณะแบบอัดโชสาน ะ, ละกลืนกเรียกฮุบไวเลยอะ่ะลักษณะนั้นเรียกว่าอุปาทานไม่ปล่อยเนี่ยนะไม่ยอมปล่อยปล่อยไม่ได้เพราะกลืนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ มันกลืนสิ่งดีๆเถอะกลืนระเบิดนี่นเนะไม่ยอมปล่อยด้วยเป็นยังไงเนะเาะก็มีคนๆเขากลืนแอบกลืนยาเสพติดเพื่อจะได้ออกไปต่างประเทศนะกลืนไปแล้วมันนั้นแตกข้างในตายเลยก็มีแบบพยายามจะคายาเสพ ต, ติดออกเอายาเสพติดออกนอกประเทศไม่รู้ทําไงมันก็ตรวจได้หมดนะก็เลยใส่หลอดอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันไม่มีโทษนะกลืนเข้าไปพราะกลืนแล้วมันไปแตกในท้องเลยตายเลย โดยมากชาวต่างประเทศเนี่ยตายอย่างเนี้ยนะก่อนจะขึ้นเครื่องเนะี่ยก่อนจะออกนอกประเทศนะีตายเลยก็มีพอไปเกลื่อนยาเสพติดและยาเสพติดมันไปแตกในท้องนะนั่นแหละไอ้สิ่งที่เรายึดถือก็เหมือนกันอุตส่ากเกลืนกินไว้เบ็ดเสร็จแล้วที่ไหนได้นะเนึ่องว่ามันดีที่ไหนได้เดือดร้อนในตอนท้ายเลยนะโดยมากเนี่ยในโลกนี้เป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่เราดีจริงๆในความคิดของเรานะยึดถือเต็มที่เชื่อเหออันั่นแหละเดี๋ยวระเบิดเวลาจะมาละ เสียใจเพราะสิ่งนั้นแล้วยึดมากเท่าไรก็เสียใจเท่านั้นน่ะเรียกว่าจ่ายตามความยึดความทุกข์เนี่ยเกิดตามสมควรแก่ความยึดยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยถ้าะ้าหันไม่ยึดเลยไม่ทุกข์เลยดับทุกข์ได้หมดเลยแต่ที่ทุกข์จริงๆเพราะความยึดถือถ้าพูดแบบธรรมะนี่ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะยึดอะไรก็ยึดไปแต่บอกตรงๆว่าความยึดเป็นทุกข์นะพยายามคุยกับตัวเองบ่อยๆนะ บางทีบอกง่ายๆไม่โอ้ยอย่าลุยอย่าไปยึดถือพูดพูดไม่ยากแต่ใจไม่ยอมถ้าใจไม่ยอมทําไงดียึดมากทุกนะจ่ายได้ไหมจ่ายค่าน้ําตาได้ไหมจ่ายวตาได้ไหมความยึดอันนี้มันค่าดูแลแพงนะอย่างนี้แปลว่าทบทวนไหมแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเสมอว่ายึดมากทุกมากนะยึดมากทุกมากนะเต็มใจทุกไหมถ้าเต็มใจทุกกว่ายึดไปเวลาจะยึดอีกกนึกต่อถามอีก ถ้าเต็มใจยึดก็เต็มใจทุกนะทุกห้ามบนเด็ดขาดนะเพราะว่าผลแห่งความยึดคือความทุกนะสมาทานให้บ่อยๆคุยกับตัวเองเล่าให้ตัวเองฟังบ่อยๆมากๆเลยยึดมากทุกมากนะคือก็ต้องแบบอะไรนะต้องเตรียมใจไว้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าไปถึงวันทุกแล้วค่อยมาบน่นไม่มีประโยชน์ น, นะเพราะมันทุกไปเรียบร้อยแล้วพันจะต้องหมั่นคุยกับตัวเองบ่อยๆ ย, ยึดมากทุกมากนะยึดถือมากทุกมากยึดถือมากทุกมาก ทุกยังไงบ้างอะไรดูสิคนนั้นเขายึดมากอย่างนั้นเขาทุกอย่างนั้นหนึ่งสอหาข้อมูลมาเรื่อยๆผลของความยึดยึดเท่าใดก็ทุกเท่านั้นเนี่ยนะผลของการกลืนกินไว้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะอันนี้เราว่ายึดถือด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน